ฟังทำกันตามสบายบรรยากาศวันนี้ก็เป็นกันเองช่วงนี้กลุ่มก็ไม่เข้ามามีแต่คนกันเองฟังทำดังนั้นวันนี้อาตมาก็จะพูดเรื่องสบายๆคือจะเล่าเรื่องสมเด็ดจพุชาย์โตให้ฟังตลอดถึงเวลาอันสมควรสมเด็ดจพุชานโตท่านเนี่ยจะสนิทกับองค์นายหลวงรัชกาลที่4ท่านจะมีชีวิตที่สันโดษไม่ติดนยดายยศฐาดาศักดิ์และท่านก็มีวิธีสอนธรรมที่แปลก ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครคือมีอวบายสามารถเปลี่ยนทิฏฐิคนจากเห็นผิดจะเห็นถูกได้บางเรื่องท่านก้าหารสามารถพูทธมะให้ในหลวงเปลี่ยนความเห็นได้เรามาเริ่มเข้าเรื่องกันเรื่องแรกจะเล่าเรื่องภายเรือลับาดเมื่อพศ2396ในหลวงรัชกาลที่4สมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัวท่านก็ ได้โปรดให้ขุดสระที่สะระทุมและปลูก ด, ดอกบัวมากมายหลายและก็ให้สร้างวัดปฐุมวานารามขึ้นมาพระองค์เนี่ยฝ่ายในธรรมก็มีความตั้งใจว่าจะนิมนต์ครูบาจารย์พผู้ใหญ่แล้วก็มารับบาตรในตอนเช้าในสระที่ขุดใหม่สระนี้ก็ใหญ่พอสมควรพระองค์ก็นิมนต์ราชคาณะผู้ใหญ่เนี่ยให้มารับบาตร โดยตนเองโดยภายเรือแล้วก็ไม่มีลูกศิษย์ภายให้พาที่จะมารับบาตรตอนเช้าเนี่ยก็ต้องเดินทางมาแต่เช้ามืดเลยแล้วก็มาพักที่วัดปทุมถึงเวลาก็มารับบาตรพระ อ, องค์ก็ทำอย่างนี้ทุกวันจนมาถึงวันหนึ่งก็ถึงคิวที่สมเด็จโตมารับบาตรโตก็ภายเรือมาหลังจากรับบาตรเสร็จแล้วสมเด็จโตแทนที่จะกลับวัด ท่านก็ไม่ยอมไปไหนก็ท า, ายเรือวนเวียนอยู่ในอยู่ในสระนั่นแหละจนองค์ในหลวงเห็นเข้ารู้สึกรู้สึกกิ้วแล้วก็แล้วก็ถามว่าทําไมถึงพายเรือวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่ยอมไม่ยอมไปทันทีสมเด็จโตท่านก็บอกว่าเหตุที่ต้องพายเรือวนเวียนอยู่เช่นนี้เพื่อพระผู้ใหญ่ท่านอื่นส่วนมากจะแก่เท่าแล้ว เกิดพลาดท่าเหลือกว้างเหลือล่มท่านจะได้ช่วยทันองค์ในหลวงคุณคิดอยู่สักครู่หนึ่งก็เห็นจริงด้วยตั้งแต่นั้นมาจึงงดการให้พระผู้ใหญ่มาภายเรือรับบาดเพราะเป็นอันตรายกับพระพุทาอันนี้สมเด็จพ้จานโตท่านก็เปลี่ยนความเห็นในหลวงได้คือพระองค์คอยตามด้วยเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่แบบพระองค์เนี่ยจัดให้มีการประกวด เรือคือสมัยนั้นน่ะอารามหลวงและวัดที่อยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีเรือแทบทุกวัดอะ่ะเป็นเรือสมัยกุงศรีอยุธยาเมื่อก่อนใช้ลบยามที่แม่ลบก็สามารถเอามาแข่งแข่งเรือกันพระองค์ก็มีความคิดว่าจะให้แต่ละวัดเนี่ยส่งเรือเข้าเข้าประกวดแข่งขันกันช่วงเดือน11บเเือเพราะช่วงนั้นเนี่ยน้ำจะเต็มตลิ่ง มองไปทางไหนก็สวยงามหมดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ววันงานก็มาถึงองค์นายหลวงท่านก็ประทับที่แพรชั่วข่าวแถวท่าราชจิตวรดิตขบวนเรือของว่าต่างๆที่ส่งมาประกวดก็แล่นผ่านหน้าพระองค์ไปอย่างสวยงามแต่แล้วสายตาของพระองค์ก็เหลือบมาเห็นเรือสมปั้นลำหนึ่งมีเนนพายหัวเรือท้ายเรือตรงกลาง มีลิงผูกโซ่ไว้และมีป้ายเขียนว่าขายหน้าเอาผ้ารอดพระองค์เห็นแล้วรู้สึกกิ้วจึงถามว่าเป็นเรือของวัดไหนได้ฟ์มว่าเป็นเรือของสมเด็จโตวัดละคลังพระองค์ก็หยุดคิดสักครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นว่าเขาไม่เอาด้วยกับเราและปีต่อมาการประกวดแข่งเรือเพื่อสวยงามเนี่ยก็เลิกไป แล้วก็มีคนไปถามสมเด็จผู้จารย์โตว่าเคยได้ยินแต่ว่าขายผ้าเอาเอาหน้ารอดแต่ทำไมถึงติดป้ายว่าขายหน้าเอาผ้ารอดสมเด็จโตก็อธิบายว่าชีวิตของนักบวชเนี่ยมีบริขารก็ผ้าตายแล้วก็บาทถ้าต้องมาจัดประกวดแข่งเรือให้สวยงามเนี่ยผ้าจะหาเงินมาจากไหน ก็ต้องเอาผ้าไตากระ บ, บาดเอาไปขายเพื่อ เ, อเงินมาลงทุนซึ่งจะตรงกับสํานวนที่พูดว่าขายผ้าเอาหน้ารอดแต่เราไม่ทําอย่างนั้นเรายอมขายหน้าแต่เอาผ้ารอดดีกว่าคือไม่ขายขายผ้าไตาคนไปถามจึงเข้าใจว่าขายหน้าเอาผ้ารอดไปอย่างนี้เองแล้วองค์ในหลวงท่านก็เห็นด้วยกับสมเด็จโตว่า ไม่เห็นด้วยกับท่านจึงเลิกยกเลิกการแข่งเรือไปเพราะเห็นว่าเป็นการฟุ่มเฟือยสิ้นเปลืองเสียเวล่ามเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์อะไรสมเด็จผู้จาร์โตท่านสนิกับองค์นายหลวงมากแล้วองค์นายหลวงนี่ก็ศรัทธาศรัทธาสมเด็จโตมากจะนิมนต์ให้ท่านมาแสดงธรรมที่ราชวังบ่อยๆมีอยู่ครั้งหนึ่งสมเด็จโตขึ้นธรรมาก็าาตั้งนะโมสามจบ แล้วก็เอ่ยขึ้นว่าทาใดๆมหาประพิษก็รู้แจ้งอยู่ดีแล้วเอวังก็มีด้วยประการาชนี้แล้วก็กาบลาลงอย่างธรรมาทไปองค์ในหลวงก็หัวเราะชอบใจเพราะท่านบวชมานานทําทุกอย่างท่านก็รู้แจ้งจริงอย่างที่สมเด็จโตพูดไว้ท่านก็ไม่ว่าอะไรต่อมาภายหลัง มีพระผู้ใหญ่อยู่ท่านหนึ่งเรียนแบบสมเด็จโตคือขึ้นธรมาตแล้วก็พูดไม่กี่คําแล้วก็ลงเกี่ยธรมารไปองค์ในหลวงก็กิ้วแล้วก็ตาหนิบอกพระองค์เนี่ยยอมให้ขัวโตรูปเดียวเท่านั้นที่ทำแบบนี้ได้คนอื่นห้ามทำเด็ดขาดบางครั้งความสามารถบางอย่างเราไม่สามารถเรียนแบบได้ต้องสมวนลิขิ์อย่างพาวปาสสุโกโตเนี่ย ห้ามเรียนแบบอาจารย์ออสเด็ดขาดเพราะท่านนมีความสามารถพิเศษสามารถพูดธรรมะโดยไม่ต้องมีเนื้อเรื่องได้คือท่านสามารถพูดทำในขณะปัจจุบันและทําให้คนเนี่ยฟังแบบไหลลื่นโดยไม่รู้สึกว่า ง, ง่วงนอนได้อันนี้เป็นความสามารถพิเศษของท่านแต่ถ้าบางคนไปนเรียนแบบท่านเนี่ยอาจจะแย่เลยเพราะธรรมดา ม, มีเรื่องก็แย่อยู่แล้วคนก็จะหลับสบายเลยแหละเพราะธรรมะเนี่ยถ้าคนพูดไม่เป็นนะ ก็จะเหมือนยาขมม้อใหญ่ไม่สามารถผู้ได้โยมฟังได้หรือต่อกันไม่ติดคือคนพูดเนี่ยบางทีพูดเรื่องนิพพานพูดเรื่องนัตตาพูดเรื่องรู้สึกตัวแต่โยมก็ฟังเอ้ยงงเพราะมันต่อกันไม่ได้อะ่ะคือมันเหมือนกับคนละอารมณ์กันอย่างอาตมาพูดธรรมะโยมฟังเนี่ยอาตมาจะพยายามเดินทางไปกับโยมเราเป็นเรามีเดินทางร่วมกันเราพูดธรรมะด้วยความกันเอง ทำให้รรโยมเนี่ยสามารถฟังธรรมาแบึชั่วโมงแป๊บเดียวเองจบแล้วก็ได้ข้อคิดบางอย่างกลับไปนั่นบาจะไม่พูดธรรมะขั้นอะไรที่มันยากโยกรรมฟังยากเราพูดให้โยมฟังฟังแล้วเกิดประโยชน์เพราะธรรมะที่นักแสดงมันก็มีสประเภทอะ่ะมีพูดน้อยแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์เลยกับพูดน้อยผู้ฟังได้ประโยชน์หรือพูดมากไร้สาระผู้ฟังก็ไม่เกิดประโยชน์แต่พูดมากอธิบายเก่งผู้ฟังก็ได้ประโยชน์มี4ประเภทนั้นแหละ องธรรมกระจึกมีมีอยู่5อย่างคือ 1. แสดงธรรมเนี่ยโดยไม่ตัดลัดตัดตอนไม่ตัดใจความของของเนื้อความแสงธรรมไปตามลำดับข้อที่ 2. อ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งที่พูดข้อที่ 3. ตั้งเจตนาที่ดีให้โยมเกิดประโยชน์จากการฟังธรรม 4. แสงธรรม โดยมีจารณ์บริสุทธิ์ไม่เห็นการลาบสักการะ5ไม่พูดกระทบตนแล้วก็ไม่กระทบคนที่คนอื่นอันนี้เป็นคุณสมบัติของนักพูดหรือองค์ธรรมะกระถือถ้านักพูดเนี่ยถ้ามันไม่เกี่ยวกับพูดเก่งนะเกี่ยวกับพูดแล้วยมจะฟังหรือเปล่านี้พอดีพูดเก่งคนได้ฟังก็มีพอพูดแล้วยมหลับหมดสมเด็จโตท่านเป็นนักพูดชั้นยอดพูดธรรมะระดับ ให้พระเจ้าอยู่หัวฟังให้ชาวบ้านฟังใครทุกข์กลังเครียดเศร้าโศกท่านก็พูดให้หัวเลาะมีความสุขได้ใครหลงอะไรออกมาท่านก็ชี้เห็นความจริงท่านมีวิธีพูดของท่านห้ามเลียนแบบมีอยู่ครั้งหนึ่งสมเด็จโตไปแสงทำให้ให้ในหลวงฟังขณะนั้นเนี่ยเจ้าจอมกำลังจะประสูตรโอรส องค์ในหลวงก็กระวลกระวายใจมากเลยคืออยากจะให้สมัยโตเนี่ยพูดจบไอ้ไยเพราะว่าเป็นห่วงเจ้าจอมอยากไปดูอาการเจ้าจอมว่าเป็นยังไงบ้างกระสับกระส่ายสมัยโตก็พูดซะยาวเหยียดเลยไม่ยอมเลิกองค์ในหลวงก็ร้อนใจอยู่นั่นแหละจนมีมโหรีดังขึ้นเป็นสัญญาณว่าเจ้าจอประสูติแล้วสมเยโตก็เลิกทันทีเลยแล้วก็ถูแล้วก็ลากลับวัด อีกสองของพันต่อมาองค์ในหลวงสบายใจอารมณ์ดีวันนี้อยากฟังธรรมนานๆสมเด็จโตขึ้นธรรมะพูดธรรมะไม่กี่คําแล้วก็ทูลลากลับวัดในหลวงข้องใจมีความสุขับสมเด็จโตแก้งพระองค์ที่อยากให้พูดสั้นๆก็พูดซะยาวเหยียดเลยไอ้วันที่อยากฟังธรรมนานๆก็ดันมาพูดสั้นๆจึงถามว่าสมเด็จโตทํานี้เหมือนแก้งพระองค์นะ สมเบโตก็บอกว่าในวันนั้นเห็นว่าพระองค์เนี่ยทรงร้อนรุ่มกุมพรทัยจึงแสดงธรรมยาวๆเพื่อจะให้พระองค์เนี่ยหายร้อนรุ่มแต่วันนี้พระองค์อารมณ์ดีและทําใดๆพระองค์ก็เข้าใจบทแล้วจึงไม่จําเป็นต้องแสดงธรรมยาวๆองค์ในหลวงก็เห็นจริงตามที่สมเบโตพูดคือถ้ามีเหตุผลของท่านน่ยจึงไม่ว่าอะไร มีพระอยู่รูปหนึ่งท่านอยู่วันชนะสงครามชื่อว่าเทศก็เป็นพระมีภาษามีภาษามากก็แหล ะ, จะเจ้าวาดก็คือพระครูดมชานสองท่านนี้คือพระเทศจะไม่ค่อยลงลอยกับจเจ้าวาดคือจะมีความเห็นที่แตกต่างและขัดแย้งกันอยู่ประจําคือทะเลาะกันเรื่อยแต่ก็ท่านก็มีความสุขนะท่านก็เกิดความร้อนรุ่มอยู่ไปก็ทุกข์อ่ะครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ไม่ได้ พระเทศเดือไม่เคยรู้จักสมเด็จโตไปการส่วนตัวแต่ก็ได้ยินกิติศากดิ์ของท่านว่าท่านมีเมตตาแล้วก็ใจดีด้วยหวังจะหนีล้อหนีร้อดไปพึ่งเย็นจึงเก็บของไปแล้วตั้งใจว่าจะไปพักอยู่วัดละคพังระยะหนึ่งสมัยนั้นไปเดินทางไปไหนก็อาศัยเรือแหละพาจะพายเรือเก่งยุคนั้นเพราะไม่ค่อยมีถนนขนทางเท่าไหร่ไปเรือสะดวกที่สุดก็พายเรือจากหน้าวัดชนะสงคราม ข้ามฟ้าไปวัดละครังขายไปถึงก็ไปกราบสมเด็จผู้จาร์โตแล้วก็พูดว่ากล้ากับผมจะมาขออาศัยอยู่ด้วยระยะหนึ่งท่านก็ยังไม่ได้เล่าอะไรสมเด็จโตนะสมเด็จโตก็ทักขึ้นมาว่าถ้าอยากสบายก็ทําตัวอย่างหมาสิจ้าพระเทศอึง้งและงงวระสมเด็จโตพูดเรื่องอะไรเพราะยังไม่ได้เล่าอะไรเลยให้ท่านฟังเลยสมเด็จโตก็พูดต่อว่า ท่านเนี่ยทะเลาะกับพระครูกกดมชาญมาใช่ไหมตอนนี้อึ้งหนักเขาอีกว่าสมเ็ตโต ร, รู้ได้ไงจึงเล่าความจริงให้ฟังสมเ็ตโตก็ชี้แนะว่าดูอย่างหมาสิหมาเนี่ยเวลาอีกตัวหนึงสู้ไม่ได้มันจะนอนหงายท้องคือยอมแพ้ไอตัวที่ชนะก็จ ะ, จะยืนคอมแสดงอำนาจชี้แนะว่าพระเทศเนี่ยเป็นพระที่อาวุโสน้อยกว่า บางครั้งก็ต้องยอมเจ้าอาวาสซึ่งมีพรรษาและเป็นผู้ใหญ่กว่าบ้างชีวิตจะได้อยู่กันอย่างผาสุกพระเทศฟังดูแล้วก็คอยตามสมเด็จโตท่านก็เลยเปลี่ยนใจภายเรือไม่พักแล้ววันละครั้งภายเรือกลับวัดชนะสงครามหลังจากนั้นเขาอยู่กันอย่างผาสุกเพราะท่านเปลี่ยนทิฐิแล้วตอนนี้ไม่ไปทะเลาะเจ้าอาวาสแล้วเจ้าอาวาสบอกอะไรก็ทําตามคอยตามไม่ไปเถียงพอไม่ไปเถียงปุ๊บ ก็อยู่ไว้แบบราบลื่นเนี่ยเพอระบบของพระเนี่ยจะเคารพอาุโสเคารพพันเตเคารพพระผู้ใหญ่ถ้าเราไปไปร่วมเกินท่านถ้าดูบางครั้งก็ไม่ดีต่อยท่านผิดด้วยบางทีก็ไปอัดตาชิดหนึ่งบางครั้งพระจึงต้องเคารพพระผู้ใหญ่ที่เป็นสามากกว่าไม่ว่าท่านจะผิดหรือถูกบางเรื่องอะไรเราก็ต้องยอมยอมกันไปบางเรื่องบอกท่านได้ก็บอกบอกไม่ได้ก็ต้องหาโอกาสหาอุบายเพราะแต่ละคนก็จะมีทิฐิมีมานะ ตได้ที่เป็นปุรุชนอยู่มีแต่พาาาระอรหันต์เท่านั้นแหละที่ไม่มีมาระไม่มีทิฏฐิไม่มีอัตตาเฉั้นคนเราได้จะมีอัตตามากอัตาน้อยไม่เหมือนกันมีการยึดถือมากยึดถือน้อยแต่ละคนเนี่ยใครยึดถืออัตตามากมีตัวกูมากคนนั้นก็ถูกมากใครมีตัวตนน้อยยึดถือน้อยมีชีวิตที่ติดดินคนนั้นก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกกลมเกลือธรรมชาติไม่แบกยศถาบดาศักดิ์ อย่างระบบนานเนี่ยบางคนก็เรียกเราอาจารย์บางคนก็เรียกหลวงพี่บางคนก็เรียกเราท่านบางคนก็เรียกเราแล้วแต่แล้วแต่บางคนก็นับถือว่างคนก็ไม่นับถือแต่เราไปหวังกับญาติโยมไม่ได้หรอกไปหวังจะพาะรุ่นน้องไม่ได้เราก็ต้องกลมกลืนกับธรรมชาติไปใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาไปกาพาที่บวชนานถ้าวางใจผิดจะต้องทุกข์เลยเขาไปข้างนอกเนี่ยไม่มีใครรู้จักเราก็ไม่ยุบมือไหว้เรา ไม่ให้เกียรติไม่ต้อนรับแต่คนที่รู้จักเราเขาก็ต้อนรับดีไปวัดนู้นวัดนี้อันนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะเพราะไม่มีใครรู้จักเราหมดหรอกเราไปอยู่วัดไหนไปเที่ยววัดอื่นเราก็ทําตามเขากลมกือกระบ bu ห, หน้าเขาวัดเขามีกฎขัติการไงเราก็ไม่ไปแหกเราสังเกตไ้มคนที่ชอบแหกกฏเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ร้อนลุ่มไม่มีความสุขไปอยู่วัดไหนที่มีการไวา่ว้พระสวดมนต์เราก็เกไม่ทําวัดบาทเราทีเราก็ไม่หบิน เขาทำงานแล้วก็แอ บ, บไม่ไปช่วยแต่ละาเขาอยู่เป็นนะอยู่ที่ไหนก็กลมกืนขเขาแหละหมู่ก็ทำอะไรแล้วก็ทําด้วยมีไหวพริบดูว่าพันเตพัดที่ขเขาทาอะไรบ า, บางเรื่องไหวพริบสอนไม่ได้นะเห็นเขาทําไงเราก็ทําตามแต่ละคนที่ดื้อรั้นเนี่ยจะไม่ทําตามหรอกจะทําตามใจตัวเองบางอย่างสอนไม่ได้คนระเป็นความสามารถเฉพาะตัวไหว พ, พริบปฎิญาณปัญญาเกิดจากการสั่งสมการเรียนรู้ คนเราพัฒนาได้แต่บางคนพัฒนาไม่ได้บางคนเนี่ยควารมรู้เนี่ยมีแต่ควารมรู้ที่จบปริญญามาจบทางโลกมาแล้วก็แป๊กอยู่นั้นแหละไม่ไม่รับการเรียนรู้ปิดการฟควารมรู้คนเราต้องศึกษาเรียนเรียนเรียนควารมรู้ตลอดเวลาเลยถ้าเรามีความรู้เดิมเนี่ยเราก็ไม่สามารถพัฒนาได้มีพระอังหลายท่านเน่ยที่ว่าบัณฑิตมาหลายสิปีแล้วก็ยังพูดธรรมะดั้เดิมอยู่แแหละ เพราะท่านคิดว่าท่านรู้แล้วท่านไม่จะไม่มีเวลาหาความรู้ไม่ขวนขวายไม่พัฒนาคือท่านพอความรู้เราไม่พัฒนาปุ๊บเนี่ยเรามาพูดกับญาติโยมเนี่ยเราก็พูดแต่เรื่องเดินๆมาแหละมีไฟเดียวมีแท็กเดียวโยมก็เบื่อฉะั้นจึงเป็นนักเทศที่ไม่ดีนักเทศทดีจะต้องหาความรู้ใส่แล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองรู้อะไรจะต้องเรียนรู้เปิดรับความจริงต่อเวลาเพราะเราต้องให้ความรู้กับโยมแต่จริงๆแล้วคือสอนตัวเองนะ ไม่ใชสอนโยมหรอกอย่างอาตมาเนี่ยขนหานขนควายความรู้มาเพื่อสอนตัวเองแต่ก็พู้ได้โยมฟังด้วยในเฟซบุ o กเนี่ยที่อาตมาโพสเนี่ยอาตมาสอนตัวเองนะบางทีโพสธรรมะโคมๆของครูบาอาจารย์แน่คิดต่างๆเนี่ยเราก็ไปหามาอโพสให้โยมอ่านแต่ลึกๆแล้วเราไม่ได้คิดสอนโยมเราสอนตัวเราเองอาตมาเทพก็เทศสอนตัวเองไม่ได้สอนโยมเพราะบางครั้งตัวเองสอนยากเลยบางทีอย่างสอนไม่เคยเชื่อบอกมันทำอย่างนี้มันก็ไม่ทํา บางทีเราก็สู้กับความกลัวของตัวเองเพราะคนเราจะถ้ากลัวแล้วหนีนะเราก็ไม่พ้นความกลัวได้อัลมากลัวหลายอย่างแนละ้วเมื่อก่อนนะกลัวไม้เห็นไม้นิสันเลยแหละแล้วก็จําผิดจําถูกกลัวกิจ น, น, นิมลเมื่อก่อนเนี่ยยิ่งเราไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นผู้นําหรอกบางทีเป็นผู้ตามเนี่ยเขาบันทึโบันอัลมาไปไปสวดศพเนี่ยอัลมาไปแอบเลยเห็นก็ประส่องไฟหางคืนน่ะมีคนตายอตอนบวชในใหม่ พระ ก, ก็ไม่ค่อยมีเราไมแอบแอบโยมอะ่ะแต่ก็ทุกนะสิ่งที่เรากลัวเนะี่ยเรายิ่งหนีแนละ้วยิ่งทุกข์แต่ถ้าเราเราไปเขาที่บนเราไปสวดศพเราก็ไปก็จบเรื่องอย่างเหมือนคนที่กลัวตายเนะ่ยคิดแต่เรื่องจะตายแต่จริงความตายไม่น่ากลัวขนาดนั้นแต่ เ, เราปรุงแต่งไนงะกลัวดุน่นกลัวนี่พอเราไปสวดแล้วก็จบบางทีอันมากลัวอาหารเวลาไปฉันเช้านะเป็นคนภาคกลางเราบงทีเรากินอาหารอีสานไม่ค่อยเป็นนะชาวบ้านบางนีเขาก็ อาหารหน่ากลัวบางทีมีเนื้อมีอะไรเราเห็นแล้ว ก, กลัวมากกว่าหน้ากินแล้วก็กลัวกีนที่มอนกลัวไปฉันเช้าเพราะอาหารไม่ถูกปากแตตอนหลังอ่นเราก็ปรับตัวนะไปฉันก็ไปฉันเราทําแล้วเราก็จบบางทีมานำสวดบอลเนี่ยเมื่อก่อนอน า, าสัานหมดเลยุตัวเองไม่ได้พอ ต, ตอนหลังเราก็ยอมหน้าแตกเราก็สามารถเอาชนะอุปสรรคตัวเองได้นำสวดบอลตอนหลังก็ไม่มีล่มแล้วต่อให้โยมมากี่ร้อยอันาสัก็ไม่หวั่นไหว เรื่องเท่ก็เป็นการเทศจ็จหม่จําผิดจําถูกแล้วก็กลัวหน้าแตกประจําแหละบันที่จํากลรม า, ท, มาท่องแล้วมีฝาผิดพลาดจะท่องแล้วจาไม่ได้โยมว่เอ๊ะทําไมไม่พูดนะทีบางทีมันลืมรนะับสัญญาไม่เที่ยงแต่ตอนหลังเนี่ยอัตมาก็เห็นว่าหน้าแตกเราก็หัวเราะตัวเองได้เราไม่เกี่ยวเอาไปอารมณ์เป็นการพัฒนาตัวเองเราอยากเก่งเราไม่กลัวหน้าแตกไม่กลัวผิดพลาดอย่างพวกคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้า ผิดพลาดหรือมีปัญหาแก้ไขเราจะเก่งทุทกครั้งขอคำชี้แนะจากพระเพื่อนๆมั่งคนนู้นคนนี้มั่งแต่ถ้าไม่มีปัญหาเรายังไม่เก่งขึ้นเลยเราปรับเปลี่ยนปัญหาเป็นปัญญาได้ถ้าเรายอมแพ้เราก็ต้องหนีปัญหาลําไปและไม่สามารถเกิดประโยชน์ได้เลยสมเ็ตโตก็เหมือนกันท่านสามารถนําความรู้นําปัญญาของท่านเนี่ยมาสอนคนให้เกิดประโยชน์แต่ตูของสมเบตโต้จริงแล้ว ก็มีคนนับถือท่านเป็นพระศักดิ์สิทธิ์นะท่านจะเป็นพระเกจิอาจารย์ที่คนนับถือมากในประเทศไทยเนี่ยถ้าใครผ่านไปเลยปักช่องเหนือจะเห็นวัดที่สระพงษ์ชาตีสร้างจะมีสมเด็จโตองค์ใหญ่สุดในประเทศไทยเป็นศาลที่สวยงามก็ทาให้เราได้ไปสวดชีวินชอนอธมามีความผูกพันกับสมเด็จโตมากเพราะว่าสมเด็จโตเนี่ยทำให้อธมามาบวชเมื่อก่อนอธมาก็เป็นคนไม่สนใจธรรมะหรอกอัธมาก็สนใจเรื่องโชคลาภ เราอยากให้โชคดีคือต้องการหาที่พึ่งทางใจก็เริ่มมาสวดชีบัญชร อ, อัลมาหาดสวดชีบัญชรตั้งแต่อายุยี่สิบกว่านะเมื่อก่อนหัดสามวันก็สวดเป็นแล้วคาถาชีบัญชรพาหุงอิจพิโสอัลมาเป็นตั้งแต่สายเป็นโยมแล้วคือมีใจรักกึงด้านสวดมนต์แต่มันก็มีอันที่สองแฝงอยู่นะทําให้อัลมาบวชได้นานเพราะว่าบวชสวดมนต์แปะเช้าเย็นเนี่ยอัลมาสวดเป็นตั้งแต่เป็นโยมแล้วซึ่งก็ถือว่า มันก็เบื่อไปหน่อยเพราะบางคนเป็นพาอยอังสวดไม่เป็นเลยคือคนมันใจรักทางด้านนี้วันไหนก็อย่างที่หลวงพี่โ ก, โก้นําสวดมนต์วันเนี้ยที่ว่าคนเราเนี่ยมันจะพึ่งสิ่งนอกตัวที่จริงก็ต้องมาพึ่งพระรัตนตรยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้คือที่พึ่งจริงๆคนเราจะเน้นพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บาทีไปเชื่อหมอดูไปบนบานสารกล่าวขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยแต่ที่จริง ที่พึ่งนอกตัวก็พึ่งได้บ้างไม่ได้บ้างเพียงแค่สบายใจใเฉยๆอยา่างอามาเนี่ยสวดชีบัญชรได้เนี่ยอัลมาก็จะสวดก่อนนอนเกิดทุบร้อนขาดที่พึ่งก็สวดชีบัญชร น, นั่งรถไปหวัดเสียวก็สวดชีบัญชร อ, อัมนนอลมาสวดจนอัตโนมัติเลยนะชีบัญชรเนี่ยนั่งรถสวิสวารถนั่งรถทัวร์เนี่ยรถทัวร์ก็สิ่งใจมันก็นึกถึงพยันตรายมันนึกถึงคาถานี้ก่อน คือลึกๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรื่องลิศชอบเรื่องลิศชอบเรื่องพลังจิตต้องจะฝึกพูดนี้มาก่อนการที่เราชอบอะไรแบบมากๆเนี่ยสิ่งนั้นจะม่มันจะมียนที่สงกับเราเราไม่นึกไปถึงแล้วว่ามาจุดเนี่ยอันมาจะกลายเป็นพระที่สวดมนต์ไม่ได้เพราะเราสร้างเหตุเอาไว้แล้วเรื่องนักเทศก็เหมือนกันสมัยก่อนอนีมาเป็นคนค้นฟ้าอ่านหนังสือของครูบาอาจารย์เมื่อจะเป็นวัดนู้นวัดนี้หลวงพ่อพุทธาธาตุหลวงพ่อชาหลวงพ่อเทียนและ คูบาอาจารย์สายทุกหัว ม, มาต่างๆเนี่ยอันมาก็ค้นฟ้าเกือบทุกสายอะแล้วก็นิทานเซนนิทานถามต่างๆพอเรามาเป็นนักเทศเนี่ยเราไปลากความรู้ในอดีตที่เราเคยสั่งสมไม่ได้ซึ่งเราไม่ควรมองข้ามนะอย่างคนที่ไม่เคยอ่านหนังสือมันไม่มีแผนที่มันนึกไม่ออกหรอกไปเปิดหนังสือเล่มไหนอย่างมาโพสต์มาใน Facebook เนี่ยอันมาอาจารย์เปียสารพูดเรื่องไหนบุ๊กอันมาลากโยงไปไปค้นฟ้ามาโพสต์ได้เลยเพราะว่ามันมีแผนที่อยู่สมองหมดแล้ว เราสรางเหตุเอาไว้แล้วความรู้ต่างๆของธรรมะเวลาเรามาเทศเนี่ยเราก็สามารถเทศได้โดยไปซ้ํากันทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์เพื่อไม่ให้โยมเบื่อเรามีเรื่องประเด็นต่างๆมาเพราะเกิดจากการสะสมถ้าคนไม่หาความรู้มันทํามันพูดไปได้นะฮะมันพูดไปมันก็จบอ่ะมันพูดไม่ออกอ่ะแต่เราจะลากความรู้มาใช้ได้มันก็ถึงเวลาอสมควรถ้าเป็นเมื่อก่อนอามาสันอามาเขาไม่สามารถพูดโยมได้หรอก เพราะความสั่นความกลัวมันลืมหมดอะเชื่อมโยงไม่ได้ทุกครั้งที่เรามาพูดให้โยมฟังเรามาก็จะเล่าเรื่องครูบาอาจารย์เรื่องรู้เรื่องนี้เชื่อมต่อแล้วก็มีเกติข้อคิดเล็กๆ น, น, น้อยๆให้ญาติโยมได้ฟังกันบางครั้งก็มีกรมีกรมีอะไ ร, รต่างเนี่ยเพื่อมให้โยมเบื่อให้ฟังแบบเพลินเพลินที่จริงวันนี้เรามาตั้งใจจะพูดเรื่องของพระกุมารกษะนะแต่เรามารู้สึกว่าหลวงตากโกมเห็นหน้าเรามาเนี่ยชอบทักก็สมเด็จโตสมเด็จอันบางเลย พูดเรื่องสุเปโต้เลยวันหลังค่อยพูดเรื่องพระ ก, กุมากาทะปะหรือพูดเรื่องอื่นเพราะอันมาเตรียมเรื่องไว้หลายเรื่องเรื่องสุเปโต้นี่เพิ่งคิดเมื่อกี้ไดเองก่อนจะมาก่อนจะเทศอเพราะที่เป็นเรื่องที่ไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งใจจะพูดเท่าไหร่อันมาเห็นว่าพูดมาก็สมควรกับเวลาก็ขอความสุขความเจริญธรรมจงมีแก่ญาติธรรมทุกท่านขอจบลงแค่นี้